ความพยายามและความปรารถนาของบุคคลผู้ทำความดีสั่งสมกรรมดีนั้นไม่เคยไร้ผลมันจะคอยจังหวะให้ผลในโอกาสอันควรอยู่เสมอแต่เนื่องมาจากคนบางคนขณะพยายามเพื่อทำกรรมดีสั่งสมกรรมดีอยู่นั้นก็ให้โอกาสแห่งความชั่วแทรกแซงเข้ามาเป็นระยะระยะเมื่อเป็นดังนี้ ผลแห่งกรรมดีก็ถูกขัดขวางเป็นระยะๆะะเหมือนกันไม่มีโอกาสให้ผลได้เต็มที่อันหนึ่งความพยายามเพื่อเอาชนะความชั่วในตนนั้นจะเป็นความพยายามที่สําคัญและจําเป็นอย่างยิ่งในชีวิตมนุษย์เราจะต้องพยายามไปตลอดชีวิตชีวิตเดียวไม่เพียงพอด้วยซ้ำไปต้องพยายามกันชาติแล้วชาติเล่า โดยหาวิธีจะให้จิตใจค่อยเจริญขึ้นทีละเล็กทีละน้อยค่อยเป็นค่อยไปทีละขั้นดังที่พระพุทธองค์ทรงอุปมาไว้ว่าเปรียบเหมือนมหาสมุทรลึกลงโดยลำดับลาดลงโดยลำดับไม่โกรกชันเหมือนภูเขาขาดฉะนั้น ธรรมวินัยนี้ก็ฉั น, นั้นมีการศึกษาตามลำดับมีการกระทำตามลำดับมีการปฏิบัติตามลำดับความเจริญที่ค่อยเป็นค่อยไปจะช่วยให้เราเอาชนะความคิดและนิสัยที่ชั่วช้าได้ทีละน้อยถ้าเร่งเกินไปอาจจะทำให้ฟุ้งซ่านเกิดภาวะที่ขัดแย้งมากมายขึ้นในใจความรู้หรือ ก, การให้อาหารแก่ใจ ก็ทำนองเดียวกันการให้อาหารแก่ร่างกายต้องค่อยเป็นค่อยไปทีละเล็กทีละน้อยทีละขั้นอาหารที่ย่อยดีจึงจะเป็นประโยชน์แก่ร่างกายความรู้ความเข้าใจที่ย่อยดีแล้วจึงจะเป็นประโยชน์แก่ดวงจิตในการนี้ความอดทนเป็นคุณธรรมที่จําเป็นจริงๆปราศจากความอดทนเสียแล้ว ก็ทำไปไม่ตลอดอาจจะทอดทิ้งเสียกลางคันช่างฝีมือบางพวกเมื่อจะทำงานสำคัญบางชิ้นเขาจะอุทิศชีวิตทั้งชีวิตทีเดียวเพื่องานนั้น สแสวงหาปัญญาจะใช้ชีวิตทั้งชีวิตเหมือนกันเพื่อให้รู้อะไรสักอย่างหนึ่งหรือเพื่อให้ชีวิตก้าวหน้าสักขั้นหนึ่งในทางปัญญาแม้จะเป็นขั้นเล็กๆก็ตามความพยายามของเราจะต้องเป็นไปติดต่อกันมีความซื่อสัตย์และเอาจริงผลจะต้องมีมาอย่างแน่นอนแม้จะช้าหน่อยก็ตาม ด้วยเหตุนี้โชคชะตาของแต่ละคนจึงเป็นผลรวมแห่งการกระทาในอดีตของเขาความสามารถทางจิตสภาพทางกายอุปนิสัยทางศาิลธรรมและเหตุการณ์สำคัญในชาติหนึ่งๆย่อมเป็นผลรวมแห่งความปรารถนาความคิดความตั้งใจของเราเองในอดีตไม่เฉพาะแต่ในชาติก่อนเท่านั้น แต่หมายถึงในตอนต้นๆแห่งชีวิตในชาตินี้ของเราด้วยจึงสรุปได้ว่าทุกอย่างที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันเป็นผลแห่งสิ่งที่เราเคยคิดไว้สิ่งทั้งปวงมีใจเป็นหัวหน้ามีใจประเสริฐสุดสาเร็จมาจากใจถ้าใจเศร้าหมองการกระทําและการพูดก็เศร้าหมองความทุกข์ก็จะตามมา ถ้าใจผ่องแผ้วการกระทาและการพูดก็สะอาดบริสุทธิ์ความสุขก็จะตามมาเหมือนล้ อ, อกเกวียนหมุนตามรอยเท้าโครหรือเหมือนเงาตามตัว พระตถาคตเจ้าได้ตรัสไว้อีกว่าจิตที่ตั้งไว้ถูกต้องย่อมอำนวยผลดีที่สุดจะคานาอย่างที่บิดามารดาหรือญาติไม่อาจจะมอบให้ได้ส่วนจิตที่ตั้งไว้ผิดย่อมทำให้บุคคลนั้นย่อยยับป่นปี้ยิ่งเสียกว่าศัตรูคู่เวรทำให้ดังนั้นการบำรุงรักษาใจให้ดี งมีคุณแก่บุคคลผู้บำรุงรักษายิ่งกว่าการบำรุงรักษาสิ่งใดๆในโลกนี้เพราะใจเป็นสมบัติอันล้ำค่าของมนุษย์ชนใดเห็นสิ่งที่เป็นสาระว่าเป็นสาระเห็นสิ่งที่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระคนพวกนั้นมีความดำริิผิดเป็นทางดำเนินย่อมไม่ประสบสิ่งอันเป็นสาระ ส่วนชนใดเห็นสิ่งที่เป็นสาระว่าเป็นสาระเห็นสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระคนพวกนั้นมีความดําริชอบเป็นทางดำเนินย่อมประสบสิ่งที่เป็นสาระภารดาก็อะไรเล่าคือสิ่งที่ไม่เป็นสาระอะไรคือสิ่งที่เป็นสาระตอบตามแนวทางแห่งพระพุทธศาสนา สิ่งใดก็ตามเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนบีบคั้นเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านเอาใจไว้ไม่อยู่ทำให้จิตใจเตลิดเป็นไปเพื่อความหลงงม ง, งายมืดมนเป็นไปเพื่อความติดพันยึดมั่นสิ่งทำนองนั้นแหละเป็นอสสาระส่วนสิ่งใดก็ตามอันเป็นไปเพื่อความไม่เบียดเบียนบีบคั้น เป็นไปเพื่อความสงบระงับแห่งดวงจิตเป็นไปเพื่อปัญญาเห็นแจ้งเป็นไปเพื่อความไม่ยึดมั่นด้วยอุปาทานคือเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นสิ่งนั้นหรือสิ่งทํานองนั้นนั่นแหละมีสาระคนส่วนมากอาศัยความดําริผิดจึงเห็นสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระและหมกมุ่นอยู่พัวพันอยู่จมอยู่ ในสิ่งอันไม่เป็นสาระนั้นมิหนำซ้ำยังนึกดูมิน่นผู้ที่กำลังศึกษาปฏิบัติอยู่ซึ่งสิ่งอันเป็นสาระว่าขวนขวายในสิ่งอันไม่เป็นสาระเมื่อเป็นดังนี้เขาจึงไม่มีโอกาสประสบสิ่งอันเป็นสาระได้เพราะได้สมาทานมิจฉาทิฏฐิไว้เต็มที่แล้ว ดูก่อนท่านผู้สแสวงหาสัจจะกล่าวโดยย่ออกุศลธรรมทั้งปวงเป็นอาสาระกุศลธรรมทั้งปวงเป็นสาระสิ่งที่ทำให้จิตใจต่ำเป็นอาสาระสิ่งที่ทำให้จิตใจสูงเป็นสาระคนดีเป็นสาระคนชั่วก็เป็นอาสาระท่านผู้สแสวงหาสัจจะคนส่วนมาก อยากเป็นคนดีอยากทําดีและอยากได้ดีแต่ที่ทําต่างๆกันนั้นก็เพราะความเห็นในเรื่องของความดีไม่ตรงกันบางคนเห็นผิดไปเห็นความชั่วเป็นดีเมื่อทําเข้าแล้วจึงเป็นชั่วผลออกมาก็เป็นความทุกข์ความเดือดร้อนบางคนเห็นดีเป็นชั่วจึงเว้นสิ่งที่ควรทําไม่ได้ทําความดี บางคนเห็นดีเป็นดีเห็นชั่วเป็นชั่วมีความเห็นถูกดำริถูกจึงทำถูกพูดถูกผลออกมาก็เป็นความสุขความเจริญความเย็นใจโดยในดังกล่าวมาแล้วบุคคลจึงควรปรับความเห็นและความคิดของตนให้ถูกให้ตรงก็จะดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกในทางที่ตรง เขาย่อมจะพบกับสิ่งที่เป็นสาระเพราะมีความเห็นถูกคิดถูกนั้นเป็นประทีปสองทางส่วนคนที่มีความคิดเห็นไม่ตรงย่อมมีแต่ความทุกข์เป็นผลดังที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่เห็นสิ่งอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้อกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแล้วเจริญไพยบูรยิ่งขึ้นเหมือนมิจฉาทิฐินี้เลยภิสษจน์้งหลายเมื่อบุคคลมีความเห็นผิดอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดก็ย่อมเกิดขึ้น อกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมเจริญไพบูญยิ่งขึ้นภิกษุทั้งหลายเราไม่เห็นทำอย่างอื่นแม้ข้อหนึ่งที่เป็นเหตุให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็เจริญภัยบูญยิ่งขึ้นเหมือนสัมมาทิฏฐินี้เลยภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลมีความเห็นชอบกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นแล้ว ที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญภัยบูญยิ่งขึ้นอันหนึ่งมิจฉาทิฐิทาให้สัตว์ทั้งหลายต้องตกนรกส่วนสมาธิทิฐิทาให้สัตว์ทั้งหลายบ่งเกิดในสุขติโลกสวรรค์ผู้เป็นมิจฉาทิธฐิเกิดมาเพื่อความจิบหายวอดวายเพื่อโทษทุกข์แก่คนเป็นจำนวนมากส่วนผู้เป็นสมาธิทิฐิเกิดมา เพื่อประโยชน์สุขของคนเป็นส่วนมากเพราะทำให้คนทั้งหลายตั้งอยู่ในธรรมของสัตบุรุษภิกษุทั้งหลายกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมของบุคคลที่มีความเห็นผิดย่อมเป็นไปเพื่อผลอันไม่น่าปรารถนาไม่น่าชอบใจไม่เป็นประโยชน์เป็นไปเพื่อทุกข์เพราะเหตุใดเพราะมิจฉาทิฏฐินั้นเลวสาม สุดทั้งหลายเปรียบเหมือนเมด็ดสะเดาก็ดีมเมล็ดบวบขมก็ดีมเมล็ดน้ำเต้าขมก็ดีที่บุคคลหมกไว้ในพื้นดินอันชุ่มชื้นรสของดินรสของน้ำที่มันดูดดื่มเข้าไปทั้งหมดย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นของขมเพื่อเผ็ดร้อนไม่น่ายินดีข้อนั้นเพราะเหตุใดก็เพราะพืชนั้นเป็นพืชพันุ์เลว ภิกษุทั้งหลายกายกรรมก็ดีวจีกรรมก็ดีมโนกรรมก็ดีของบุคคลผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิฉันนั้นเป็นไปเพื่อผลที่ไม่น่าปรารถนาเพราะความเห็นของเขาเลวทรามเจตนาก็ตามความปรารถนาก็ตามความตั้งใจก็ตามมีผลไม่น่าปรารถนาไปด้วยเพราะเกิดจากทิฏฐิอันเลวทราม ภิกษุทั้งหลายกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเจตนาความปรารถนาความตั้งใจสังขารเพื่อปรุงแต่งจิตของบุคคลผู้มีความเห็นชอบเป็นไปเพื่อผลที่น่าปรารถนาน่าชอบใจเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะทิฏฐิของเขาดีภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนพันอ้อยก็ดี พันข้าวสาลีก็ดีพัน์ผลจันทร์ก็ดีอันบุคคลหมกไว้ในดินที่ชุ่มชื้นรถของน้ำรถของดินที่มันดูดซึมเข้าไปทั้งหมดย่อมเป็นของมีรสหวานน่ายินดีน่าชื่นใจข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะพืชพั น, นนั้นดีกายกรรมวจีกรรมของบุคคลผู้เป็นสมาธิทิก็ฉะ น, นั้น ย่อมเป็นไปเพื่อผลอันน่าปรารถนาเพราะทิฐิของเขาดีพระดาเห็นหรือไม่ว่าความเห็นชอบความดำริชอบมีความสำคัญต่อชีวิตของบุคคลอย่างไรเหมือนประทีปสองทางเหมือนมเมล็ดพืชที่ดีอํานวยประโยชน์เพื่อความสุขแก่บุคคลหาประมาณมิได้ดูก่อนท่านผู้สแสวงหาสัจจะ ความแตกต่างระหว่างปุถุชนผู้มิได้สดับธรรมกับสาวกของพระอริยะผู้ได้สดับธรรมแม้จะยังเป็นปุถุชนอยู่ด้วยกันก็ตามก็คือปุถุชนผู้มิได้สดับธรรมเป็นผู้เต็มไปด้วยความยึดมั่นถือมั่นในโลกียธรรมต่างๆอาทิว่าทรัพย์ของเราบุตรภรรยาก็ของเราสามีของเรา เพื่อนของเรานั่นนี่ก็ของเราไม่รู้โทษของความยึดถือเมื่อสิ่งที่ยึดมั่นว่าเป็นของตนแปลปวนไปเพราะความไม่เที่ยงไม่อาจจะเหนี่ยวรั้งไว้ได้ก็เกิดทุกข์ทมมานร่ำไห้รำพันตรอมใจหม่นไหม้แม้กระนั้นก็ยังไม่รู้ว่านั่นเป็นเพราะโทษของความยึดมั่นถือมั่นกลับเห็นว่า เป็นเพราะความพัดพลาดบ้างเพราะผู้อื่นมาทาให้บ้างส่วนสาวกของพระอริยะผูรร้ศึกษาธรรมเรียนรู้ธรรมย่อมเป็นผู้คลายความยึดมั่นถือมั่นเพราะรู้ตามความเป็นจริงว่าสิ่งทั้งปวงเป็นไปตามเหตุปัจจัยเมื่อสิ่งนั้นนั้นแปรปรวนไปเพราะความไม่เที่ยงก็รู้ว่าสิ่งนั้นแปรปรวนไป ตามเหตุปัจจัยท่านไม่ต้องทุกข์ทมานัตไม่ร่ำไรรํำพันไม่หม่นไม่ตรอมใจท่านอาศัยสิ่งต่างๆอย่างอิสระไม่เป็นทาสของสิ่งที่ต้องอาศัยจิตใจของท่านจึงปลอดโปรง่งชื่นช่ำอยู่ด้วยธรรมมีสติปัญญาว่องไวรู้เท่าทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแก่ตนและเป็นที่พึ่งทางใจ แก่คนทั้งหลายผู้รู้จักเกี่ยวข้องนี่คืออนิสงค์ของการเรียนรู้ธรรมสดับธรรมและประพฤตธรรมครั้งหนึ่งภาษาดีบุตร ผู้เป็นธรรมเสนาบดีได้กราบทูลพระพุทธองค์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นที่พึ่งของโลกชนทั้งหลายทิ้งของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างคูดบ้างมูดบ้างน้ำลายบ้างน้ำเหลืองบ้างน้ำหนองบ้างลงบนแผ่นดินแผ่นดินก็มิได้เกียจชังสิ่งนั้นมิได้อิดหนาระอาใจต่อสิ่งนั้น คงรับไว้ด้วยอาการอย่างเดียวกันทั้งกองอยากเยื่อและดอกไม้ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันมีใจเช่นเดียวกับแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไม่มีประมาณไม่เลือกที่รักผลักที่ชังมีใจเสมอในบุคคลทั้งปวงไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนข้าแต่พระองค์ ผู้เป็นพระจยมุนีน้ำย่อมรับของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างลมก็พัดของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างไฟย่อมเผาของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างน้ำลมไฟย่อมไม่เกลียดชังไม่ระอิดระอาต่อของเหล่านั้นฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นมีใจเสมอด้วยน้ำลม และไฟไม่มีเวรกับใครไม่คิดเบียดเบียนใครอันว่าผ้าเช็ดทุรีย่อมเช็ดได้ทั้งของหอมและของเหม็นของสะอาดและของโสโครกเด็กจันทานถือตะกร้านุ่งผ้าเก่าเข้าไปยังบ้านหรือนิคมย่อมตั้งใจอ่อนน้อมเข้าไปโคที่เขาขาดแล้ว ได้รับการฝึกดีแล้วย่อมสงบเสงี่ยมเดินไปตามถนนหนทางตามตรอกเล็กซอกน้อยก็ไม่ได้เอาเท้าหรือเขากระทบกับอะไรฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นมีใจอ่อนน้อมถ่อมตนไม่มีเวรไม่คิดเบียดเบียนใครพระองค์ผู้เจริญพระธรรมเสนาบดีกราบทูลต่อไปว่า อนบุรุษหรือสตรีรุ่นหนุ่มสาวเป็นคนชอบประดับประดาอึดอัดระอาต่อซากศพงูหรือซากศพสุนัขที่มีคนเอามาผูกไว้ที่คอฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นย่อมอึดอัดระอาต่อกายอันเน่าเปื่อยนี้พระองค์ผู้เจริญอันว่าบุคคลผู้ประคองภาชนะน้ำมันข้น มีรูทะลุเป็นช่องเล็กช่องน้อยไหลออกไหลเข้าอยู่ชั้นใดข้าพระองค์ก็ชั้นนั้นบริหารกายนี้ประคับประคองกายนี้ซึ่งเป็นรูทะลุเป็นช่องเล็กช่องน้อยมีสิ่งปฏิกูลไหลเข้าไหลออกอยู่เนืองนิดข้าพระองค์ย่อมระอิดระอาต่อกายนี้อันหนึ่งบุรุษผู้ประคองถาดน้ำมันที่เต็ม ได้มีคนอื่นถือดาบอันคมกริบอยู่ข้างหลังพลางบังคับให้ถือถาดน้ำมันแต่โดยดีถ้าหากหกเพียงหยดเดียวจะประหารชีวิตเสียบุรุษนั้นย่อมตั้งใจประครับประคองถาดน้ำมันนั้นฉันใดข้าพระองค์ก็จะประครับประคองกายของตนฉันนั้น ดูก่อนท่านผู้สแสวงหาธรรมะพระตถาคตเจ้าและพระสาวกของพระตถาคตเจ้ามีพระษาดีบุตรเป็นต้นเป็นอย่างนี้คือมีปกติอดทนในสิ่งที่คนทั้งหลายทนได้ยากเอาชนะในสิ่งที่คนทั้งหลายเอาชนะได้ยากและทำในสิ่งที่คนทั้งหลายทำได้ยากจึงได้รับสิ่งที่คนทั้งหลาย รับได้ยากสิ่งที่ไม่น่ายินดีมักปลอมเข้ามาในรูปของสิ่งที่น่ายินดีสิ่งที่ไม่น่ารักมักมาในรูปสิ่งที่น่ารักทุกมักมาในรูปแห่งความสุขเพราะเหตุนั้นคนจึงประมาทกันนักดูก่อนท่านผู้สแสวงหาสัจจะคนส่วนมากหลงไหลในมายาธรรมคือสิ่งที่กลับกรอก หลอกลวงยึดถือเอาว่าเป็นสัจธรรมคือของจริงจึงถูกมายาธรรมนั้นห้ำหันย่ำยีบีบคั้นหัวใจให้ต้องเศร้าโศกคล่ำครวนรำพันว่าสุขก็หาใช่สุขจริงไม่มันเป็นแต่เพียงทุกข์ที่ปลอมเข้ามาในรูปแห่งสุขหรือมีสุขเป็นเหยื่อล่อเล็กๆน้อยๆเหมือนศัตรูปลอมมาในรูปแห่งมิตร อั น, นความสุขที่เกิดจากโรกิยรมรัชนยรมนั้นล้วนเป็นทุกข์เป็นพื้นฐานก่อนแล้วจึงได้สุขความจริงก็คือความทุกข์ที่ลดลงเพราะบำบัดถูกวิธีเท่านั้นเองและมีความทุกข์ติดตามมาอีกอย่างกระชั้นชิดบำบัดได้คราวหนึ่งก็สมมติเรียกว่าสุขคราวหนึ่งลาบผลซึ่งคนสแสวงหากันนักหนา ด้วยความยากเย็นลำบากนาน า, นาประการต้องเอาชีวิตเข้าเสียงนั้นเมื่อได้มาแล้วหาแช่จะอำนวยความสุขให้ฝ่ายเดียวไม่มันมีความทุกข์ความกังวลใจแอบแฝงอยู่ด้วยต้องเฝ้าต้องระวังจนไม่เป็นอันกินอันนอนต้องเสียชีวิตในการป้องกันทรัพย์สินก็มีมียศแล้วก็ต้องมีความเป็นอยู่สิ้นเปลือง กว่าคนธรรมดาสามัญต้องหาทรัพย์มากขึ้นมักจะหาได้ไม่พอใช้ต้องมีภาระมากเวลาไม่เป็นของตนเป็นที่เกาะอาศัยของผู้อื่นจนนุงหนังต้องพลอยทุกข์กับคนนั้นคนนี้บางคนพอมียศเข้าก็ลืมตัวไม่เป็นอยู่อย่างที่เคยเป็นเหตุให้เสียมิตรเสียเพื่อนเสียญาติพี่น้องก็มีเพราะไปหลงติดยศ อันเป็นเปลือกของคนจนแสงสว่างแห่งธรรมะไม่อาจจะส่องถึงใจได้ดูก่อนท่านผู้สแสวงหาสัจจะเรื่องนี้อย่าพูดเพียงครืหัดเลย แม้บรรพชิตบางรูปก็เมายศเหมือนกันยิ่งยศสูงขึ้นอาสะวะก็พลอยหนาขึ้นตามมันย้อมจิตใจให้มัวเมาและเมาหนักขึ้นเพราะเปลือกหนาขึ้นอยู่ในแวดวงของลาบยศสันเสริญเสียจนเคยตัวทำผิดไม่มีใครกล้าติเตียนทำถูกเล็กๆน้อยๆคนก็คอยชมแล้วชมอีกจนใจเหลืองเพราะสรเสริญ เหมือนเหล้าหวานชวนให้เพลินดื่มเท่าไรก็ไม่พอเผลอตัวได้ง่ายดื่มเหล้าสิอีกยังยั้งได้ง่ายกว่าและมีคนคอยช่วยยับยัง้งส่วนสรรเสริญมาจากผู้อื่นยั่วยวนใจอยู่เสมออยากได้รับยิ่งขึ้นกว่าเก่าที่เคยได้รับเมื่อไม่ได้รับดังปรารถนาก็ร้อนใจหรือเมื่อถูกนินทาก็เร่าร้อนยิ่งขึ้น นี่คือโทษของลาบยศสรรเสริญเท่าที่พอมองเห็นได้มันเป็นสุขที่คู่กับทุกข์จึงเป็นสุขปลอมหาใช่สุขแท้ไหมสุขแท้จะต้องเกิดจากคุณธรรมจากการทำความดีทำความเพียรเพื่อลดละอาสวะสิ่งหมักดองในสันดานที่ทำให้มืดมนกิเลสลดลงได้เท่าใดทกุก็ลดได้มากเท่านั้น เมื่อทุกลดลงถึงที่สุดก็เรียกว่าที่สุดแห่งทุกคือนิพพานเหมือนเมื่อความร้อนลดลงถึงที่สุดก็เป็นสภาพที่เย็นที่สุดนี่คือความสุขแท้ไม่มีความทุกแอบแฝงมาด้วยมีความเย็นใจเป็นรางวัลพร้อมกันนั้นความรู้แจ้งตามความเป็นจริงในสิ่งทั้งปวงก็สว่างสวัยขึ้นในดวงจิต เหมือนประทีพที่ถูกจุดขึ้นย่อมทำหน้าที่หลายอย่างพร้อมกันคือกําจัดความมืดยังแสงสว่างให้เกิดขึ้นเผาเชื้อคือน้ามันให้สิ้นไปเป็นต้นอีกอย่างหนึ่งความที่บุคคลได้อบรมจิตและปัญญามาน้อยแสงสว่างในดวงจิตจึงมีน้อยไม่อาจจะมองเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงได้ จึงถูกหลอกอยู่เรื่อยไปถูกโลกิยธรรมคือลาบบ้างยศบ้างเสียงสรรเสริญบ้างหลอกเอามอมให้เมาอยู่เป็นเนืองนิดจนปัญญามืดมนลงไม่สามารถที่จะรู้เห็นตามที่เป็นจริงของชีวิตได้ และยศนั้นเป็นเหยื่อของโลกที่น้อยคนนักจะสละและวางได้หรือได้แล้วจะไม่เมาจึงมีเรื่องแย่งลาบแย่งยศกันอยู่เสมอเหมือนปลาที่แย่งเหยื่อกันกินแต่หารู้ไม่ว่าเหยื่อนั้นมีเบ็ดเกี่ยวอยู่ด้วยหรือเหมือนไก่ที่แย่งใส้เดือนกันแล้วจิกตีกันทําลายกัน จนพินาศกันไปทั้งสองฝ่ายหน้าสังเวชสลดใจยิ่งนักถ้ามนุษย์ในโลกนี้ลดความโลภลงมีการเผื่อแผ่เจือจานอบอ้อมอารีถ้าเขาลดโทสะลงมีความเห็นอกเห็นใจกันมีเมตตากรุณาต่อกันและลดโมหะลงไม่หลงงม ง, งายใช้เหตุผลในการตัดสินปัญหาและดำเนินชีวิต โลกนี้จะน่าอยู่อีกมากแต่ช่างเขาเถอะหน้าที่โดยตรงและเร่งด่วนของเราก็คือลดความโลภความโกรธและความหลงของเราเองให้น้อยลงแล้วเราก็จะประสบกับความสุขความเยือกเย็นขึ้นมากเหมือนคนไข้ที่ลดไข้ได้มากเท่าใดความสบา ย, ายกายก็จะมีมากขึ้นเท่านั้น ขอท่านผู้ฟังทุกท่านจงมีความสบายกายสบายใจสงบเย็นเป็นสันติสุขโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทินจเจริญธรรม เจ้าขออภิวาทกราบไหว้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอระหันต์หมดจดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองสวากาโตภควตาธรรมโมธรร ม, มานามาามีข้าพเจ้าขอนอบน้ อ, นอนมนมำสการประธรรม อันสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้วสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกาสังโคสั้งขังน้ามามีข้าพเจ้าขอนอบน้อมนมัสการพระสงฆ์สาวกของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ปฏิบัติดีแล้ว